วันนี้ก็เป็นวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอันเป็นการดำเดนินตามทางที่พระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาทรงสอนให้ดำเนินให้ปฏิบัติกันเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตและจิตใจทางนี้เรียกว่าทางร่มเย็นมีองค์ประกอบคืคอคุณธรรมอยู่แปดประการด้วยกันคือหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสอง สัมมาสังกัปโปความคิดชอบความดำริชอบสสัมมากรมโตการกระทำชอบสสัมมาวาจาการพูดชอบห้าสัมมาอาชิบโบมีอาชีพที่ชอบที่ถูกต้องหสัมมาวายามโมมีความภาคเพียรที่ถูกต้อง 7. สัมมาสติมีสติที่ถูกต้องและ 8. สัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องถ้าเรามีคุณธรรมทั้ง8ปประการนี้แล้วชีวิตของเราก็จะก้าวไปสู่ความสุขความร่มเย็นความเจริญห่างไกลจากความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างทํานุบบำรุงคุณธรรมทั้งแปประการนี้ให้เกิดขึ้นประการแรกท่านสอนให้เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหมายถึงให้เห็นตามความเป็นจริงเช่นให้เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริง นรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ต้องไปใช้บุญใช้กรรมตามที่ได้ทำไว้ไปขึ้นสวรรค์บ้างไปตกนรกบ้างอย่างนี้เรียกว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้อง ความคิดที่ถูกต้องก็จะคิดทำบุญจะคิดละบาปนี่เป็นความความคิดที่จะตามมาถ้าเรามีความเห็นผิดเช่นเห็นว่าบุญกรรมไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วไม่ต้องไปเกิดอีกเราก็จะไม่กลัวบาปเราก็ไม่อยากจะทำบุญก็จะคิดแต่จะทำบาคิดแต่จะทำ อะไรไปตามความต้องการของตนเองโดยไม่คิดว่าจะมีผลเสียหายตามมาคิดว่าอย่างมากเมื่อตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบดังนั้นในขณะที่ที่มีชีวิตอยู่นี้ต้องพยายามหาเงินหาทองหาความสุขไว้มากๆจะมาด้วยวิธีใดก็ไม่สนใจขอให้ได้มาก็แล้วกันจะต้องไปฆ่าผู้อื่นก็ทา จะต้องไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปหลอกลวงผู้อื่นก็จะทาจะต้องไปประพฤติผิดประเวณีผิดสามีผิดภรรยาของผู้อื่นก็จะทำถ้าคิดแบบนี้ก็จะทำแปก็จะทาแต่บาปทำแต่กรรมแล้วก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไป <c oughs> เพราะว่าชีวิตของเรานั้นมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกัน คือมีร่างกายและมีใจร่างกายของเราเมื่อตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปด้วยใจก็ไปเกิดใหม่ที่เรามาเกิดได้ก็เพราะใจของเราไม่ตายชาติก่อนเรามีร่างกายแต่ร่างกายของเราในชาติก่อนนั้นได้แตกสลายหมดไปแล้วใจของเราจึงต้องไปหาร่างใหม่ไปหาตามตามวิบากที่ วิบากกรรมที่ได้ทําไว้กว่าที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็อาจจะต้องไปหลายที่ด้วยกันอาจจะไปสวรรค์อาจจะไปนรกอาจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานอยู่หลายภพหลายชาติด้วยกันจนกว่าบุญกรจนกว่าบุญกรรมที่ได้ทําไว้นั้นหมดแล้วหรือถึงเวลาที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษยเเเ์เราก็จะสร้างบุญสร้างกรรมกันอีกถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเราก็จะสร้างบาปมากกว่าสร้างบุญถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะสร้างบุญมากกว่าสร้างบาปเมื่อเราสร้างบุญมากกว่าสร้างบาปเมื่อเราตายไปเราก็จะได้ไปสวยบุญมากกว่าไปสวยบาป ก็จะไปอยู่สวรรค์เป็นเวลานานหมดจากบุญจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตใจจะสร้างบุญสร้างกุศลได้เต็มที่เท่ากับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายสามารถสร้างได้ถ้าเราสร้างบุญได้ขนาดนั้นเราก็จะกลายเป็นพระอาหารหันต์ ตลายเป็นเพราะพุทธเจ้าไป <c oughs> นี่คือความเห็นที่มีอยู่สองอย่าง <c oughs> เห็นผิดกาเห็นถูกพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเห็นถูกเมื่อเราเห็นถูกแล้วเราก็จะมีความคิดที่ถูกคือเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะมีการกระทำที่ดีเรารู้ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปด การเสพสุรายาเมาเป็นการกระทาเป็นการพูดที่ไม่ดีเราก็จะเหลีกเลี่ยงการกระทาเหล่านี้แล้วเราก็จะมีสัมมาอาชีพคือรู้ว่าอาชีพที่เราทำมาหากินนี้จะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไปเบียดเบียนผู้อื่นอาชีพที่ต้อง <c oughs> ทำให้ผู้อื่นเขาต้อง เสียเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเช่นการขายยาพิษต่างๆขายสารพิษต่างๆหรือการค้าขายพวกอาวุธต่างๆหรือเครื่องเครื่องดักสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นการขายของที่จะไปทําลายชีวิตของผู้อื่นท่านก็สอนให้เราเหลีกเลี่ยงหรืออาชีพที่ขายสุรายาเมาต่างๆก็ไม่ดี เพราะเมื่อคนเสพสุรายาเมาไปแล้วก็จะไม่มีสติควบคุมจิตใจก็มักจะไปทำในสิ่งที่เสียหายผ่าไปขับรถก็จะไปประสบอุบัติเหตุไปทำให้ผู้อื่นและตนเองต้องเจ็บหรือต้องตายไปหรือถ้าเสพสุราแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้เวลาอยากจะทำอะไรก็จะทา โดยไม่ทํานึงถึงความเสียหายของผู้อื่นก็อาจจะต้องไปมีเรื่องมีราวมีการทะเลาะเบาะแหวงมีการทําร้ายร่างกายหรือมีการฆ่ากันตามมาเพราะพิษของสุราหรือถ้าไม่ได้ไปทําอะไรกลับไปบ้านก็อาจจะไปอารวาสที่บ้านไปไปข่มเหง ร, รังแกภรรยาธิดาบุตรธิดาของตนเพราะ สุรายาเมาเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะไม่สามารถควบคุมจิตใจให้เป็นปกติได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราหลีกเลี่ยงอาชีพเหล่านี้เพราะจะทำให้โลกเราอยู่กันอย่างเดือดร้อนวุ่นวายนั่นเองถ้าโลกเราไม่มีการขายอาวุธไม่มีการขายายาพิษสารพิษต่างๆไม่มีการขายสุรายาเมา คนที่อยู่ในโลกนี้ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำมาสั่งสอนให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราจะได้อยู่การอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องหวาดภาวากับภัยต่างๆภัยส่วนใหญ่นั้นมันไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากการกระทาของมนุษย์เราทำนั้นมนุษย์เราที่ พอมีความเห็นผิดแล้วก็จะไม่กลัวบาปก็จะกล้าทำบาปไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นแต่ถ้ามนุษย์เรามีความเห็นที่ถูกก็จะไม่กล้าทำบากจะทำแต่บุญอย่างญาติโยมวันนี้มาวัดก็ไม่ได้มาทาบาปกันมาทำบุญกันพวกเราจึงนั่งอยู่ในสารานี้ได้อย่างอย่าง เป็นสุขอย่างปลอดภัยถ้าเกิดมีคนเสพสรายาเมาถือปืนเข้ามาเราก็จะอยู่กันไม่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญเห็นความสำคัญของพระธรรมคำสอนของของพระพุทธเจ้าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระถึงแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ในสมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วก็ตาม แต่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ลาสมัยเลยทันสมัยอยู่ตลอดเวลาถ้าใครนำเอามาใช้ก็จะได้รับประโยชน์นี่แหละคือความพิเศษของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไม่หายไปไหนอยู่ที่ว่าเราจะรักษา ให้อยู่กับใจของเราได้หรือไม่เท่านั้นถ้าเราไม่สนใจไม่ศึกษาไม่นําเอามาปฏิบัติไม่นําเอามาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นเช่นลูกหลานของเราต่อไปพระธรรมคําสอนก็จะหายไปแต่ไม่ได้หมายความว่าพระธรรมนั้นหายไปเพียงแต่ว่าไม่มีคนสนใจเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติก็เลยไม่มีใครรู้กัน ถ้าเมื่อถึงยุคนั้นก็จะเป็นยุคมืดเพราะจะเป็นยุคของคนที่มีมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบเป็นใหญ่แล้วก็จะมีการเข็นฆ่าฆ่าฟันกันเอารัดเอาเปรียบ ก, กันอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดสังคมก็จะต้องฆ่ากันตายไปจนเกือบหมดคนดีส่วนใหญ่ก็จะต้องหลบไปอยู่ตามป่าตามเขา ปล่อยให้คนชั่วเขาฆ่ากันให้พอจนไม่มีใครเหลืออยู่แล้วคนดีที่หลบหนีไปอยู่ตามป่าตามเขา mm. ก็จะกลับมาสร้างสังคมใหม่อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขรักษาศีลทำบุญให้ทานช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกันสังคมก็จ ะ, จะเจริญดุ่งเรืองกลับขึ้นมาใหม่ นี่คือเรื่องของสังคมมนุษย์เราเช่นอย่างนี้มีการเจริญและการเสือ่อมการเจริญและการเสื่อมที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราผลิตออกมาถ้าเรามองทางด้านวัตถุเราก็ต้องยอมรับว่าสังคมเราในขณะนี้เจริญรุ่งเรืองเพราะมีความสะดวกสบายจะไปไหนมาไหนก็ มีรสราการกินการอยู่ก็มีพร้อมบริบูรณ์แต่ถ้าเรามองทางด้านจิตใจเราก็จะเห็นว่าจิตใจของมนุษย์เราทุกวันนี้เสื่อมลงไปมากขาดขาดขาดความเห็นที่ถูกต้องมีการกระทำบาปทำกรรมกันอย่างเปิดเผยโดยไม่มีความเกรงกลัวบาปกรรมแต่อย่างใด และจะมีการทำมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตราบใดเราให้ความสนใจต่อการเจริญทางด้านวัตถุก็จะทําให้เราเกิดมีความโลภเกิดมีความอยากมากขึ้นอยากจะได้วัตถุมากขึ้นอยากจะเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้นเราก็จะพยายามหามาด้วยทุกทุกวิถีทางถ้าหามาด้วยวิธีที่สุดเจริญไม่ได้ เราก็จะหามาด้วยวิธีทุจริตนี่เป็นเป็นการไปของจิตที่มีความหลงมีความเห็นผิดเป็นชอบคิดว่าความสุขและความเจริญอยู่ที่การมีสมบัติเข้าของเงินทองมากๆแต่ใจนั้นกลับหาความล่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะถ้าตราบใดเราปล่อยให้ความโลภความอยากมีอำนาจเหนือจิตใจของเราแล้ว ใจของเราจะไม่มีความพอถ้าไม่มีความพอแล้วก็จะไม่มีความสุขได้มามากน้อยเพียงไรก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีความพอแล้วเราจะมีความสุขถึงแม้เราจะไม่มีอะไรมากมายเราก็จะไม่ได้อยากได้เช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้ามีสมบัติมากมายกายกอง แต่ทรงเห็นว่าสมบัตเหล่านั้นไม่ได้ทำให้จิตใจของพระ อ, องค์นั้นมีความสุขมีความเจริญมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลมีแต่ความห่วงใยจึงสละราชสมบัติแล้วมาปฏิบัติจิตใจของตนให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายให้อิ่มให้พอพอเมื่อจิตได้ความสุขได้ความอิ่มได้ความพอแล้ว ก็ไม่หิวไม่อยากกับเรอีกต่อไปเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สมบัติข้าวของเงินทองไม่ได้อยู่กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราหมั่นทำบุญกันอย่าเสียดายเงินเสียดายทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เอามาทำประโยชน์เอามาช่วยเหลือผู้อื่นเพราะจะทําให้จิตใจของเรามีความสุข มีความอิ่มและมีความพอนั่นเองนี่แหละเป็นเหตุที่พวกเราจึงต้องมาวัดกันเพื่อมาปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือไม่ไม่ทำบาปไม่ไมีทำแต่บุญทำจิตใจของเราให้สะอาดชำระความโลภความโกรธความหลงด้วยการกระทำความดีต่างๆ เช่นฟังเทศฟังธรรมก็ช่วยทำให้หูตาเราสว่างทำให้เราเห็นโทษของความโลภของความอยากทำให้เราเห็นคุณของการให้ของการเสียสละทำให้เราเห็นคุณของความสงบของจิตใจคนเราถ้ามีความความสงบสุขทางจิตใจแล้วจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรจะสุจะจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย ต่างกับคนที่มีสมบัติข้าวของเงินทองมากมายแต่กับอยู่ไม่เป็นสุขใจมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความห่วงมีแต่ความกังวล น, นี่คือทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้มีสัมมาสังกับโปความความดําดริชอบ ให้มีสัมมารกรรมโตการกระทำชอบให้มีสัมมาวายาโมสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิโวมีอาชีพชอบและให้มีสัมมาวายาโมคือให้เพียรให้มีความเพียรที่ชอบความเพียรที่ชอบนี้ก็มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือเพียรทำความดีมันทำความดีที่เรายังไม่มีให้ปรากฏขึ้น ถ้าเราไม่เคยทำบุญทาทานเราก็ทำไปถ้าเราทำแล้วก็ทำให้มากขึ้นไปจนกลายเป็นพระเวชสันดอนไปนั่นแหละคือการกระทำความดีที่ที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ส่งก็ทำมาเป็นตัวอย่างสองส่งให้รักษาความดีไว้ถ้าเราเคยทำความดีไว้เคยทำบุญทาทานก็ขอให้เราทำต่อไป อย่าท้อแท้อย่าหวังผลที่เกิดจากการกระทำทันทีทันใดอย่าไปคิดว่าทําบุญทําทานแล้วจะต้องร่ารวยขึ้นมา ท, ทันทีนี่ไม่ใช่เป็นผลของการทําบุญทําทานการทําบุญทําทานผลที่จะได้ในเบื้องต้นก็คือความโล่มเย็นเป็นสุขความอิ่มเอิบใจที่จะปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันส่วนความร่ํารวยนั้นก็จะเป็นต่อไป ในพบหน้าชาติหน้าเมื่อเราไปเกิดใหม่เราก็จะไปเกิดบนกองเงินกองทองได้เป็นลูกเศรษฐีได้เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเช่นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายของการเป็นมนุษย์ก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ได้ทรงบำเพ็ญทานบารมีได้เป็นพระวิสันดรมีทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็บริจาคแจกจ่ายไปหมดไม่เสียดายไม่ไม่หวงไม่แหนเลยแล้วเมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์เมื่อหมดเมื่อหมดบุญแล้วก็ลงมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินนี่คืออนิสง์ของการทำบุญให้ทานจะทำให้เราร่ำรวยแต่ไม่ใช่ในชาตินี้เป็นชาติต่อไป ในชาตินี้สิ่งที่เราได้ก็คือความสุขความอิ่มเอิบใจความพอใจดังนั้นเราจึงพยายามต้องหมั่นทำความดีเสียสละทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆทำให้มากแ ล, ล้วรักษาไว้เคยทำแล้วก็ทำต่อไปประการที่สาสอนให้เราละ บ, บาปที่มีอยู่ในตัวเราถ้าเราชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาก็พยายาม ก, กําจัดให้มันออกไปจากจิตจากใจอย่าให้มันมีอยู่ในตัวเรา <Yeah. S 1> แล้วก็ให้มันป้องกันไม่ให้บาป ท, ที่เราได้กําจัดไปแล้วหวนกลับคืนมาอีกถ้าเราเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้แล้วเลิกลักทรัพย์ได้แล้วเลิกพูดปดมดเทศได้แล้วเลิก ปรพฤดผิดประเวณีได้แล้วเลิกเสพสุรายาเมาได้แล้วเราก็อย่าไปกลับไปทํำอีกเวลาที่เกิดความโกรธอยากจะทําร้ายอยากจะฆ่าใครก็ต้องให้อภัยอย่าไปจองเวรจองกรรมกันขอให้เราล้ำลึกถึงพระธรรมคําสอนที่สอนว่าเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร ว่าเมื่อเราไปทำอะไรเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาทำเราอีกแต่ถ้าเขาทำอะไรเราแล้วเราไม่ไปตอบโต้เราอยู่เฉยเฉยเรายอมรับเคาะกลัมไปคิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปต่อไปเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราเขาก็จะไม่ทำอะไรกับเราอีกนี่คือการการมีความเพียรชอบเรียกว่าสัมมาวายโมเพียรทำความดีเพียรรักษาความดี เพียละบาปเพียรป้องกันไม่ให้บาปที่ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกคุณธรรมขั้นต่อไปคือสัมมาสติท่านก็ทรงสอนให้เรามีสติอยู่กับตัวเราอย่าอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดด้วยเปยื่อยไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยให้อยู่กับตัวเราให้อยู่ในปัจจุบัน อยู่ในที่นี้เดี๋ยวนี้เช่นเราอยู่ตรงนี้ก็ให้มีสติอยู่ตรงนี้ขณะนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมก็ให้มีสติอยู่กับการฟังเทศฟังธรรมอย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรการฟังธรรมนี้มีประโยชน์กว่าเราจะได้มีความรู้มีความฉลาดแต่ถ้าเราฟังไปแล้วเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไป เราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังฟังอยู่นี้มีความหมายว่าอย่างไรเราจะไม่ได้ยินเหมือนกับไม่ได้ยินได้ยินเสียงแต่ไม่ได้เข้าไปสู่ในใจหรือไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีสติอยู่กับการกระทําประมัวไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ทำผิดทำถูกเวลาหัน่นเอามีดมาหั่นผักหั่นเนื้อหั่นอะไร ถ้าเผลอไม่มีสติก็อาจจะหันนิ้วมือเราได้เพราะมัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้การกระทาของเราเป็นไปตามตามตา ม, ตามที่มันควรจะเป็นคือถูกต้องดีงามเราก็ต้องมีสติอยู่กับตัวเราเสมอการที่จะมีสติได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการเสศุรายาเมา เพราะเมื่อเราเสพสุรายาเมาเข้าไปแล้วเราก็จะไม่มีสติเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรเราก็ต้องมาเสียใจในภายหลังเมื่อหายเมาเราถึงจะรู้ว่าถูกตำรวจจับเข้าไปในคุกอย่างนี้เป็นต้นเพราะเวลาเมานั้นจะไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่ากำลังคิด mm. กำลังพูด mm. กา ล, mm. ลังทาอะไร แต่ถ้าเราไม่เมาเราจะรู้อยู่ทุกขณะว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรคิดดีพูดดีทำดีหรือคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีเราจะรู้ดังนั้นเราจึงควรหัดฝึกตั้งสติอยู่กับตัวอยู่เสมออย่าปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะทำให้เราวุ่นวายใจไปไ ป, ไปเปล่าเป่า นี่คือสัมมาสติคือให้ฝึกมีสติให้รู้อยู่กับตัวอยู่เสมอและประการสุดท้ายท่านสอนให้มีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตใจการจิตใจของเรานั้นก็มีที่ตั้งที่ดีที่ทำให้จิตใจของเรามีความสุขนั่นก็คือให้ตั้งอยู่ในความสงบนั่นเองให้สงบให้ระงับจากความโลภจากความโกรธจากความหลง เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงก็อย่าอยัดอย่าโลภตามอย่าโกรธตามอย่าหลงตามพยายามดึงใจให้อยู่เป็นปกติให้อยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆก่อนจะอยากจะได้อะไรก็คิดด้วยเหตุด้วยผลก่อนด้วยปัญญาว่ามีความจำเป็นหรือไม่สิ่งที่เราอยากได้ถ้ามันไม่มีความจำเป็นเราไม่มีมันเราก็ไม่ตาย ก็ตัดใจไปเสียอยากไปอยากได้มาถ้าเราไม่ถ้าเราไม่สามารถตัดได้เราก็จะถูกความโง่ความโลภครอบงำมันกจ็จะฉุดลากให้เราไปทําอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าเราสามารถระงับดับความโลภได้เราก็จะตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความสุขได้คนเรานั้น ส่วนใหญ่ปัญหาอยู่ที่อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขเพราะไม่มีสัมมาสมาธินั่นเองถูกความโลภถูกความโกรธถูกความหลงครอบงำคอยหลอคอยลอ่ อ, ลอให้ไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอไม่สุขสักทีต้องหาอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตายก็จะเป็นอย่างนี้ตายไปแล้วไปเกิดใหม่ก็จะไปหาใหม่ เป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ภพกีชาติแล้วมีพระพุทธเจ้าทนั้นที่เห็นโทษของความโรคความโกรธความหลงจึงสอนให้เราฝึกทำสมาธิทำจิตใจให้ตั้งมั่นด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธเลือนด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกฝึกทำสมาธิทำใจให้นิ่งอย่าไหลไปตามอารมณ์ตามความคิดต่างๆ อย่าไปสนใจในขณะที่ทำสมาธิให้อยู่กับบทสวดมนต์หรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจิตของเราจะตั้งมั่นจะไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆจะมีความหนักแน่นเป็นเหมือนกับหินเมื่อก่อนนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิใจของเราจะเป็นเหมือนกับปุยนุ่น เวลามีอะไรมาลมอะไรพัดมาเบาๆก็จะก็จะก็จะลอยตามไปแต่ถ้าใจหนักแน่นเป็นเหมือนกับหินแล้วต่อให้มีพายุพัดมาก็จะไม่สามารถพัดใจของเราไปได้ฉันใดถ้าเรามีสมาธิแล้วเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆมากระทบกับจิตใจของเราจิตใจของเราจะรู้สึกเฉยๆไม่หวั่นไหว ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่หวาดกลัวเพราะจิตใจของเรามีที่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ในที่ที่ดีนั่นเองคือตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในที่ที่ระ ง, งับจากความโลภความโกรธความหลงจึงควรฝึกทำสมาธิถ้าเรามีสมาธิแล้วเราก็จะสามารถทำตามความเห็นที่เรามีอยู่คือเห็น ความเห็นที่ถูกต้องได้คือเราจะสามารถทําความดีคิดดีพูดดีได้นั่นเองยึงพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราสร้างคุณธรรมทั้ง8ประการนี้คือให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องมีการกระทําที่ถูกต้องมีการพูดที่ถูกต้องมีการมีอาชีพที่ถูกต้องมีความภาคเพียรที่ถูกต้อง มีสติที่ถูกต้องและมีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องถ้าเรามีทั้ง8ประการนี้แล้วชีวิตของเราจะดำเนินไปสู่ความสุขและความเจริญจะอยู่ห่างไกลจากความทุกจากความเสื่อมเสียอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการบาเพ็ญประพบุตรปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ เพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็นในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการ